คนก็แก้ไนทราบหลายคนเขาบอกว่าฉันเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งให้ยาที่ยังมึนเผลอแล้วก็เขาโอเงินไปเข้าธนาคารสามแสนบาทฉันเนี่ยนะปาอันนั้นไปนี่ก็เสียหาล้าเนี่ยเีเงินหายก็สามแสนแต่ขาวลือเนี่ยแต่ข่าวลือเนี่ยมันก็ตีประโยคน์กับคนบางคนไม่กัน หลายคนเชื่อก็ประโยชน์เขาเชื่อไหคล่ะแล้วก็ประโยชน์ใหญ่ที่ว่าคนออกข่าวลงนรกคนเชื่อข่าวลงนรกประโยชนใหญ่แล้วลูกหลานที่ฟังข่าวจากพ่อเขาลงลงลูกองนำหน้าล่นรกแต่ลูกแม่เราไม่ดี เรื่ีแม่พระเจ้าก็มีใช่ไหมที น, นี้เรื่องการเงินมนจะเล่าให้ฟังมันได้ย่าโยมวธาไปจัดอะไรไปแม่ฉันไม่ไม่รวยใครแล้วฉันไม่คนอยากไม่ได้คนอยากได้เงินไดอยากรูแบงแม่ได้ยาอ้าวเขาทำบุญทุกวันเลยวันหีจ่จบหมดเลย ถ้าเปลาเข้อกันาคานท่างินไม่ตรงแต่ไม่ที่ฉันต้องไม่กูทำไม่ได้โอเคไหมเจ้าพี่คนนี้อยากโยไปให้ทุบบาททุบตังเป็นเงินได้มีความเหนื่อยยากแ้่การที่สองก็ทําเป็นพุทธบูชาชั่มบูชาสัาสบ่สบูชาถ้าพาดไปฉั้นรอเวทีก็ล้ลงเป็นแล้วก่อนนี้ไปกันแบอกลุงแล้ว ่ก็รู้ความว่าข่าวนี้ยไม่ทราบวันมาจากไหนเขาเลบอกว่าคนให้ยาฉันจนป่วยไปเลยแต่การยิงเรื่องยาในที่นี้เล่าต่อมาฉันไม่คนเข้าป่วยชอบป่วยนะชอบมากไม่ชอบมันก็ป่วยบอกยอดแสดงการกันยังเป็นแค่ได้เบาใจถ้าเราเป็นระตูกับมันไม่เอาหนักเป็นเพื่องมันเบาหน่อย เรือ่องยาเรื่องว่าถ้าหมอให้ยามาถ้าฉันลืมโดยายาแค่อะไรถ้าไม่เจ็ก็เป็นไม่ขันแล้วราบรการในสองก่อนที่หมอจะให้ยาเขาจะถามพระ้เจ้าก่อนให้ยาไรถ้าย า, า, ยาขนาดนั้นพระผู้เจ้าจรับรองก็ดีถ้าโกมาแั้รับรอง้วไม่เสียรับรองและไ ม, ไม่ฉันไม่เงนฉัไม่ฉันท่านบอมาตยาไายอยู่แล้วไปต่ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วคอยแข็บา ง, บไงไวันแข็งน้อยไปก็ถึงดึกไม่หลักจะบอกเติมอีนิดหนึ่งบางบันบอกเติมนเท่า น, นี้นะย้ายถึงเท่าถึงวันนั้นอะไรก็โู้กันว่าคนที่ออกข่าวก็เป็นคนเลวคนที่เชื่อข่าวก็ช่วยกันเลวก็ไม่ใช่ควรดู ก็พะะระเจริกรบมานอย่างฉันเนี่ยจะเ ป, น, เ น, ไไเปนไหมจืดมแล้วอาจารย์เลยจะเนี่ยต้นเขาอาจารย์เนไม่มีข่าวเรื่องนี้คนละเรื่องเรื่องมูลนิธิหาสมุนธีตนเขาไม่ใช่ชง่าข่าวไม่กัน หมดจะหลายนาทีเนี่ยเล่ายมฟังนะว่าข่าอย่างนี้หลายๆเรื่องมันออกมาหลายๆเรื่องจะคิดว่าถ้าเดือง น, นี้ถ้าไม่พูดญาติโยมก็จะเผลอเกินไปยันมาจะไปตรงไปข้ามใช่ไหมแล้วก็คนที่พยายามจะลงนรกฉะนั้นว่าถ้าไม่ยัง้งยั้งจะลงหักกว่านี้นะให้คนที่เชื่อแล้วก็ยันจำดนะ้วยนะว่าขาวนี้ไม่จริง ว่ามต้องตามกันไปหลายคนแล้วแค่นอนนอยู่เมร่วันแล้วบอกด้ยไม่จะตุ้นข่าวไม่ไหวก็ให้ลูกดีๆเข้าไปด้วยไอ้ดีเขาดีมีไอ้คนที่พูดเราก็เชื่อว่าเขาดีใช่ไหมว่าคนนั่นเขาดีเลยเชื่อเพี่ก็เลยตปเลยยาจ้าไม่ให้ตไม่ได้นะครับพต่ยายยมแสนรู้ เยาวชนวชิลล์ทีุหมดไอ้เยี่ยงคนใส่ใจสวรรค์นี่นนสวรรค์หมดจำไม่ได้ว่าใครพูดจะเลหมดเลย <c oughs> อบายว่าเว ล, เวล า, วามไม่กี่ <c oughs> นาทีว่าจะมาตาาับุไปถ้าจด้นะเกี่ยวกรื่อง่อเดะไหแล้ให่ยเดรอ 要就放那两路。哎呀！哎呀！哎呀！走！哎呦！ 那个没没没有那个。对，啊，车都上来了，快点啊！我也 <t ara> <modelling> ，我坐，我就坐，我也 <zo 's> <owej>。 ที่บนจะลบโว่ลงแล้ ว, ลลวไอ้เรื่องทาร์ไอ้ดีเหมืม น, นี้คนนั้นทำไม่ชอบใจจิจใจโม่บ่ควาีอะไรชั่วสง่าทันไม่ทิที่บ้านแตนเืองมึงต้าไปก็สงถถา่าทนอย่างนี้ก็สงถถา่าทไนแต่เจ้างนี้เราไม่ได้เขียนโม่รมหรือเงื่อนกิจใจไปสุด ดาราผู้ชายคนนึ่งมาบอกว่าผมชอบชาแห้งติ่งตามาแดลี่เป๊ดหรื่แห้งแห้งแห้งแห้งาา่า่าาา หรือมีองค์นนเป็นผู้ชาย ยัาด้วยนะใหญ่มากนะคนนี้เคยได้มาก่อนนี่ชาติก่อนเขาได้มาก่อนเป็นทานสเพื่อแสวงปญาด้วยไม่จาเป็นของเก่าเขาจิตใจจกแต่มันเป็นสมาธิจ <S S> มานจะเกิดขึ้นเพราลังสมาธิได้วิ่งไป่มาจิตจประโลมเหยื่อลมมาทรงตัวลมเดีย ว, ก, ยวก็เป็นฌานฌานมันขอขไม่ยากเขาตระใจญน ะ, ะและการขึ้นไปได้ในแบบปัญา คนทีได้ชันสีด้วยคนจะถือว่าเสพยินญาวิชาสาน่ไม่แน่นะอาจารย์เนี่คนได้ชันสีอันคนจได้วิที่ชาสาก็คนก็แสนยที่าติยาไปได้เต็มใหญของเขาที่ดีมากแม้ว่าจริันนีายได้อยเสิแปะงกคนไปแต่ได้แล้วาไยหลายคนเลยหลายคนเลย สาลลสายัน้ตนต้นหมด จงกรมนะจงกรมเมื่อเดินจงกรมเมื่อฉันฝึกที่แรกเดินเบาๆต่อมาเดินธรรมาดามาแลอววิ่งใช้จิตทรงตัวนี่จะเลยว่ขาขนาที่เขาวิ่งอยู่จิตเขาจัที่มีหางแก้วจิตประจับอรมเดียวถ้าเปจงกมอย่างหนักอย่างสูงไเป็นอย่งยงางเาก็แสดงว่าชาติก่อนเคยได้มาแล้วของ น, นม่เปงของเก่ายักษใหญผู้ใหญ่ผู้ที่คอยใส่ดอมที่ไต้วัน ามบอกคนผมไม่ไปเล้แต่คนทใหม่ก็ต้องู่แสงชาดได้ไม่ได้เจรไหมอาแต่ยังไมีความในแสงชาติไม่แน่อดูก่อเฉลย้มีรูปตายคุณตายนะดูต่อ ตอนนี้อยู่กับพีุรบกวนเราไปบ้านนี้โดนกันโลจินนะเงินอู้เฉย ท่านภูริภูริท่นภูริท่านูเขบอกว่าถ้าเป็นเดวดาเั้นจาตัวหารากพูดยังไงคนเป็นตามนั้นถ้าหาไม่ได้ก็จะสั่งเขาเป็นลูกมัช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็วลกนลูกตัวนีนลูมาในทีเนี่ยแต่อบอกว่าที่จะบอกวิลวบาจิมมิงใหญ่หอะไรผมมาตีเราไม ยิ้ใบยบุ่งหน้ายิย้ในราคาแพงหน้าบุ้งราคาตกดีมีขาดทุนวัอาทิตย์ช่ไหมวทิตวอาทิตย์เป็นไม่จกครูวทิเป็นไ ม, ม่จกค ร, รูวันจันทร์ตวูพุทธงยาวถูกปวานทางน้ำเตา ไม่มีใครกระทู้กับเสาไม่มีกันล้วกระทู้ไม่กระทู้ไงใช่ไห้อะไรช่ใช่ะว่าพูดไปพูดมาทีนถามเดียวดายเขาเขาไม่ไขข้อเขจะอะไรที่พูดไปไปมาในใจในเขาเป็นลูกคางเขาเขาจะมีอะไรบ้างไหมถ้าบอกไม่ไขข้อเะมีอะไร คืออะไรจะจงอ่ะคุณไม่รู้ใช่ไหมรู้ป่ะคืออะไ n นะอะรู้ป่ะอะลูกค้ณที่ตั้งใจ่จะปูกป้าใหม่แต่มีต้นกลใหญ่ต้นนึงอะจะต้องจำจะต้องตัดต้นไม้จริงทนี้ี่จะาให้ลูกงทำไคปอยากเรียนถามลูกพ่อว่าเราวิธีจะพูด uh> ับพูดจะโหม่ยังไง มีดีเรก็มีดีเจ้าเจ้าขาีนดเจ้าข้าคนใดันเกิดตามตามีดังเกิดสุกตามที่หนหลังเจ้าขาออกดาาูแคเนเล็กแเล็กเล็ก มันเป็นไม้ฝางที่ใช่ไหมเมื่อเมื่อเราโค้นลงไปที่บางท่านก็เหลี่ตัวถ้าเราปักเสาเอาเฉพาะารคุณมรเด็ดาวแท่านั้แเท่านันคือมันแค่แต่ได้แค่ได้แทนเป็นการแทนกันอขอเขาขอบคุณมาก่อนตอบใช่ไหมไม่น่าตอบเลย เราเหล็กไม่ไหวนะตนที mm ่เหล็กก่อนโอเคกอาี like like er. ้ค่อยๆเนี่ค่อยๆนะค่อยๆคิดใช้เวลาไม่น้อยเราทำอารมณ์ต้องการสมาธิใช่มเวลาที่หมหนึ่งถึงสิเราจะบาวาให้สมดุลอถ้าเงไม่ถึงจิบภาวนาไม่รงตัวไม่คิดก่อนเลิกตสร้างต้นใหม่ พอที่สิบเราก็เลิกกับแคที่ทอนใดไม่ค้าก็ชิมชิมได้ได้แน่ใจใจเาพ่อจะพาลูกไปดูที่ร้านกาแฟนทางด้านทาถนนข้ากโ่ลเลที่หนึ่งเจ็ดะปดหกแปดเจดไม่ยนต่อถ้าเมื่อวันนี้ลูกดูมาหลายปีแล้วแต่ว่าเมื่อวันนี้ลีกพ่อมันอยู่ มีเรื่อเกิดนี่คิดว่าที่บ่อน้ำใจว่าพอคุณตาขอเติอนไปสห้บงปันนี้ได้ได้ตรไม่สบายไม่ทราบว่าจะเป็นโรคถึงจะติดบิที่ไหนนะคุณตาถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็ขอฝาแลไม่ตงช่วยแนะนเพื่อในการส่นข้อมูลพ่อของลกดีจบเลยเออเลยบังนะแต่ถ้าเป็นบ่อนาำแล้วก็เป็น ยาเจ้าของที่เขาบอกไม่ใช่ไปเกี่ยวไม่เก่งใจ่า่เรา่ได้วดเงแบบอนนู่เดียวฉันติดสิทติดติดติดตติดติดนิ่ตติดิดติ escolar มีเวลาไม่ให้ใจดิาพาตัดอีกสักสามแฉ่งก็ยังไม่ตายในันนี้นะแต่ว่าเขาต้องการลงกรรมฐานนะดีล้วพูดโทรไปแล้วกันต้อ ง, งกันมากได้หต่ตว่าได้มันงยีี่จับเท่าที่ผ่านไปรมผม้บฏิภาณเลยเป็นปฏิภาณในดีนะคืะว่าหมอไ้ทาฟันทันหมดเดืลาทั้งหมดที่ยี่สิบแครั้งนะขุ ด, ดต้้งเจอต้องอะไรตัองนะฉันก็กลัวปวดกลัวเสียว เปิดปนิพานหมอต้องเรียกเวลาเลิกไม่รู้สึกจนข้างหนึ่งไม่รู้สึกว่าจะเสียวก็เริ่มเสียววันนี้ฉันก็เปิดหลักไปเลยใช่ไหมหมอก็ททำไปตั้งแต่สองโมงครึ่งเช้าถึงห้าโมงสิบห้านาทีหมอเรียกจนรู้สึกตัวว่าเออทำหมอเสร็จแล้ว มองถามว่าเจ็บไหมบอกพวกแกถามว่าเจ็บไหมถึงไปเขาถามว่าเจ็บไคจริงยังไม่เจ็บนะเคิดว่าน่ารัวมันจะเจ็บมันจะเสียวยู่ไหมถามว่าเจ็บไหมเสียวไหมลุพ่อแต่ไม่ปูดไปเลยอเ็บไปได้ผวดี่จะาตามทอะไรมันเ็เราซูดไปเลยึงถม่นึกตยไว้ในอารมณ์ถ้าบังเอิญมันตายเวลา